เมื่อวานก็เป็นโอกาสดีที่ทางคณะสงฆ์จากอาสมไปกราบพระอัชิหลวงพ่อํำเขียนแล้วก็ได้ไปทำสามมีจีก ร, รมพระอาจารย์เผศสารซึ่งตอนนี้ก็เป็นประธานสงฆ์ของวัดป่าสุกตโตแล้วก็เหมือนเป็นงานนําลึกถึงคุณ ลำเลกถึงคุณครูบาอาจารย์ถ้าทางโลกมัวบาลเนี้ยเขาก็ลำเลึกถึงคุณของของแม่เนะครูบาอาจารย์ก็ที่จริงก็คือเปรียบเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่ในทางธรรมทางโลกเราก็มีพ่อแม่ที่ให้กำเนิดชีวิต ให้เรามีร่างกายแล้วก็ได้เติบโตขึ้นมาถึงตอนนี้ก็ถือว่าพ่อแม่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูเรามาก็เป็นผู้ที่ที่มีพระคุณมากนะในทางธรรมก็เช่นกันนะเราเองก็จําเป็นที่ต้องมีมีครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนเรานะในทางธรรมเพราะว่าทีสติปัญญาหรือว่าน ข้อวัดปฏิบัติเนี่ยบางทีถ้าเราจะศึกษาเองเนบางทีมันก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนตามตามกิเลสเนะหรือว่าตามความชอบเนี่ยความไม่ชอบของเราได้ง่ายๆแต่ถ้าเราศึกษาข้อวัดปฏิบัติหรือว่าธรรมะกับครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติ ด, ดีแล้วเนี่ยท่านจะช่วยแบบ ขัดเกลว์นี่ใสขัดเก่าจิตใจของเราได้ได้ดีมากนะยิ่งบางทีเราปฏิบัติอมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่าเราได้ฝึกฝนตนมากขึ้นเท่าไหร่เราจะเห็นคุณค่าของอะไรที่มันรู้สึกขัดใจนั่นแหละขัดใจเนะี่ยขัดใจในที่นี้ก็คือมัน เรารู้สึกมันไม่ชอบใจนะแต่จริงมันก็เป็นการขัดเกลีจิตใจของเรานะถ้าเราได้ได้ทนะํานำได้ทําอะไรบางอย่างหรือว่ามันทําให้เราได้เห็นบางอย่างในในใจของเรานนะเีย่ยแต่ก่อนเวลาอยู่กับหลวงพ่อคําเขียนนบะังทีเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็มีความขัดใจบางอย่างนะ อย่างบางทีหลวงพ่อเองท่านก็บางทีท่านทําอะไรนะบางทีเคยนัดกันว่าจะไปออกไปข้างนอกท่านก็ชวนไปด้วยตอนบ่ายโมงนะแต่พอตอนเช้าบางทีเก้าโมงกว่าท่านก็จะไปละไม่รอเราเราเองก็ต้องแบบถ้าเราอยากจะไปพบท่านเราก็ต้องแบบรีบ เปลี่ยนแผนตัวเองหรือว่าเรียบจัดการตัวเองให้ไปพร้อมท่านหรือบางทีไม่แต่แค่ขนาดเดินทางไกลขนาะดเดินทางไกลจะเข้ากรุงเทพอะไรแนบะี้กะว่าจะไปเวลานี้นะแต่หลวงพ่อเองก็เปลี่ยนแผนไปเร็วกว่ากำหดนดก็มีมันก็มใหม่ใหม่มันก็รู้สึกเป็นเป็นความขัดใจนะเพราะาเราอาจจะเคยชินกับ กับกำหนดการเวลาที่เคยตรงเวลาตายตัว น, ะนัดเป็นนัดอะไรนะแบบนี้จะเปลี่ยนนัดก็ต้องบอกกันล่วงหน้าพอสมควรนะอันนี้ก็แต่พอเรามองดีๆนะมองมองด้วยความเคารพแล้วก็เออเรากม็มันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้ท่านเปลี่ยน เ, เปลี่ยนแผนในการดำเนินการ แต่แรกความรู้สึกนะ่ะถ้าเราไปคิดไปยึดติดกับเหตุผลนะ่ะหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยเราก็จะสึกขัดใจแล้วก็ขัดเคืองนะ่ะขัดเคืองแต่ถ้าเรามองในแง่หนึ่งว่ามันก็เป็นการให้เราได้ฝึกในการนะละความเคยชินเก่าๆที่เราเคยติดกับรูปแบบแบบแผนหรือว่า เหตุผลความคิดต่างๆหลักการต่างๆที่เราเคยก่อสร้างนะขึ้นมามันก็ช่วยได้เยอะนะพอเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่บางทีเมื่อเราเกี่ยวข้องกับคนหลายคนเนาะบางทีก็มีคนก็มีความหลากหลายนะหลากหลายความคิดหลากหลายนิสนะัยเราก็ย่อมเจอคนที่ทั้ง ถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจนะเขาทําถูกต้องบ้างทําไม่ถูกต้องบ้างแต่เมื่อเราก็รับได้ทั้งสองด้า น, นเขาจะทําถูกถูกใจเราหรือว่าถูกต้องตามหลักการหรือเขาไม่ได้ทาถูกใจเรานหรือเขาทําผิดนะอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็มันจะเป็นนิสัยทําให้เราต้องกลับมาคล้ายๆกลับมารักษาใจเราก่อนนะ เราก็รู้อะไรควรไม่ควรถูกหรือผิดแต่สิ่งที่เนะี่ยหลวงพ่อท่านสอนเป็นหลักคือเราต้องมารักษาใจเราให้ให้มีทุกข์ให้มากลับเป็นปกติก่อนเน่ยเรื่องทางโลกเนะี่ยมันเหมือนคล้ายว่ามันคนเราคิดไม่เหมือนกันเนาะคิดไม่เหมือนกันนะชอบไม่เหมือนกันนะจะให้ถูกใจเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ ตอนท้ทายหลวงพ่อเคยสอนมีอันหนึ่งที่ประทับใจมากนะวิทีท่านก็สอนให้เรารู้จักทีต้องทีเขาทีเราบ้างนะคือเราก็อย่าไปคิดว่าจะต้องเอาความคิดความเห็นเนี่ยความถูกแบบของเราทั้งหมดเนะี่ยเวลาเราอยู่กับคณะสงฆ์หรือว่าเราต้องทำงานกับคนเยอะๆเะนี่ยบางทีท่านก็สอน ให้เรารู้จักที่เขาที่เรานะอย่าไปเอาแต่ความคิดความเห็นของเราเป็นหลักนะต้องเข้าใจความคิดความเห็นของคนอื่นหรือว่าต้องบา ง, บางขณะมันก็พ้อยตามคนอื่นบ้างนะเนื่องาะบางทีงานทางโลกเนะี่ยบางทีมันก็ไม่มีอะไรผิดถูกตายตัวนะมันก็เป็นความเนะี่ยเป็นความถนัดเป็นความคุ้นเคยหรือเป็นความชอบนะ ที่มันอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่จริงก็คือหลวงพ่อรวมรวงกคือว่าสอนให้เราอยู่ร่วมกันได้นะอย่างเป็นความเป็นสามัคคีกันนะสามัคนคะีในที่อาจจะไม่ใช่ว่าเราต้องคิดเห็นเหมือนกันนะแต่แม้เราเห็นต่างแต่เราก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้นะยังพูดคุยกันได้ยังมีปฏิสัมพันธ์กันได้เนะีนะ่ยถ้าเราฝึกฝน ตอนดีๆเนะี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่สิ่งที่หลวงพ่อได้ทำเป็นตัวอย่างหรือว่าท่านก็สอนแบบแบบไม่สอนนะสอนแบบไม่อธิบายคนระูบาอาจารย์ยางทีท่านสอนแบบไม่อธิบายนะแต่เราก็ต้องดูดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างนะจาับ กับสิ่งที่ท่านสอนหรือบางอย่างที่มันนรู้สึกขัดใจเราเนี่ยแหละนะแต่ถ้าเราน้อมนน้อมเข้ามาใส่ตัวเรานะก็คือน้อมเข้ามาหาธรรมน้นอมนให้ใจมันเป็นปกติไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ถูกใจหรือไม่ถูกใจนแต่เราก็สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้ นะถ้าเราสามารถทำได้เช่ี่ยไม่ว่าจะใครสอนก็ดีนะครูบาอาจารย์สอนหรือว่านะผู้คนที่เราเกี่ยวข้องนะหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องถ้าเราสามารถพิจารณาเป็นธรรมะนะพิจารณาอาจจะไม่ใช่คิดนะแต่คือกลับมาดูความรู้สึกดูความรู้สึกเวลาเราเจอสิ่งที่กระทบนะ มันเกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นในในกับร่างกายเกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นในใจนะบางทีอย่างเช่นความรู้สึกไม่พอใจนะถ้าเราดูร่างกายก็ได้นะดูร่างกายเช่นเห็นร่างกายมันมนันอึดอัดนะ อ, นอึดอัดที่บริเวณที่หน้าอกหรือว่าเกิดความระ้อนขึ้นมานะกับเนื้อกับตัวอะไรนะหรือใบหน้า ถ้าทางมันก็ตึงเครียดขึ้นเลยนะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่เป็นตระกูลโทสะนะที่มันเกิดขึ้นมันก็สังเกตดูร่างกายก็ได้เมื่อเราเห็นร่างกายมันมีปฏิยาเช่นนั้นมันก็เป็นสัญญาณเตือนเราแล้วว่าเออร่างกายเราผิดปกติเพราะว่าเพราะว่าอะไรมันจะย้อนกลับมาเห็นจิตใจอีกทีด้วยว่า ใจตันนี้มีความไม่พอใจอยู่นะมีความไม่ชอบมีความโกรธอยู่นะเลยรนะมันก็ทำให้เราเห็นเมื่อเห็นเราก็สามารถละมันได้เรือบางคนข้ามมาเห็นที่ปฏิยาของใจเลยนะใจที่มันไม่พอใจใจที่มันเครียดใจที่มันโกรธนะเมื่อเห็นแล้วมันก็ละได้เช่นกันอันนี้คือว่าเมื่อมีผัสนสะ ภาษาคืออารมณ์ที่กระทบนะทางรูปหรือทางนามก็ดีเนะี่เราก็ย้อนกลับมาดูปฏิกิยาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนะี่ยมันแสดงอาการแบบไหนเราคอยมารักษาใจของเราให้เป็นปกตินะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ถ้าเราเนะ่บางทีถ้าเราไปติดกับความคิดเหตุผลนะเราก็จะไป เอาเหตุผลนะเอาความคิดมาแกอนะทาไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมที่นี่เป็นแบบนั้นนะมันจะเป็นความคิดนะคำถามเยอะแยะมากมายในจิตนะแล้วก็ประมาณว่าคิดเองตอบเอง <c ười> คิดเองตอบเองเนะไม่รู้ถูกหรือผดแหละแต่เขาพยายามหาคาตอบอธิบายความคิดคำถามของตัวเองนะ หรือไม่ไปถามคนอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะไปเชื่อเขาด็อกนะถานเพื่อหาแนวร่วมนะใช่ไหมนะเป็นแบบนี้ใช่เปล่าเห็นด้วยเปล่าอะไรประมาณนะั้นเขาทําแบบนี้ไม่ดีเห็นด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนะ่ะอืมบางทีความคิดเหตุผลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางทีก็เอามาเข้าข้างนะเข้าข้างนิสัยเข้าข้างเ อ, อความคิดความเห็นของตัวเองก็มีนะ แต่วิธีปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนให้เราแบบไม่เอาเหตุไม่เอาผลเนาะออใหม่ๆอย่างตัวผมตัวตมานี่ก็ไม่เข้าใจเลยคําว่าไม่เอาเหตุไม่เอาผลนไม่เอาถูกไม่เอาผิดไม่เอาชอบไม่เอาไม่ชอบออทิ้งไปเลยเราก็ไม่แน่ใจหรือเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องแบบนั้นเพราะว่าทางโลกเนี่ย ทางโลกที่เราศึกษาหรือว่าคนส่วนใหญ่เขาเข้าใจก็คือมันก็ต้องมันเราก็ต้องยึดหลักเหตุผลเนะี่ยหรือความถูกต้องเนะ่ยผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกอะไรนะอนะืชอบทํำอะไรนะมันก็แต่ถ้าพิจารณาโดย ด, ดีนะไอ้ที่เราทุกเนะี่ยบ่อยๆก็บางทีเราก็ทุกเพราะความเพราะความถูกต้องเนะ่ย ทุกเพราะว่าเรายึดว่านนี้มันดีนะยึดว่าอันนี้เราทำถูกแล้วนะเราทำถูกแล้วเราทำดีแล้วนะทำไมมาว่าเรานะทำไมไม่เข้าใจเราอะไรนะทำไมไม่ขอบคุณเราอะไรปนระมาณนั้นเออไอความรู้สึกแบบนี้นก็คือเราเองแหละทำให้ตัวเองทุกนะเราทำไปแล้วแต่เราก็ยังไปคาดหวังผลนะก็มี หรือบงทีมันก็กลายเป็นการทะเลาะเบาะแ้งถกเถียงกันเนา ะ, นะเพราะเราคิดไม่เหมือนกันเพราะเราว่าแบบนี้ของเราถูกเขาเขาว่าแบบนี้ของเขาถูกอะไรเนี่ยเขาความถูกของแต่ละคนก็มีเหตุผลรองรับเยอะแยะมากมายเนี่ยมันถูกนียก็ถูกแบบความคิดเหตุผลของแต่ละคนแต่เมื่อเราไปยึดเอาเหตุผลแบบของตัวเองความคิดของตัวเองเนี่ย ถูกผิดแบบของตัวเองเนะี่ยมันก็เลยเกิดเป็นปัญหากันนะพราอันนี้ไงเนาะหลวงพ่อสอนให้เราไม่ไปยึดนะไม่ไปยึดติดในเหตุผลในความถูกในความผิดในความชอบทำในความไม่ชอบทำท่านสอนให้เราเห็นนะเห็นแล้วก็ละนะละทิฏฐนะิทิฏฐิคือความเห็นพวกนี้ที่เราไปหลงยึดนี่เอง แต่ที่จริงเราก็มีทิฏฐิได้นะแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นพอเราไปยึดนะทิฏฐิแต่ละคนย่อมมีอยู่แล้วนะเพราะเราเรียนมาเราอ่านมาเรามีประสบการณ์ชีวิตมาเราก็ต้องมีการสรุป บ, บทเรียนของตัวเองอยู่ว่าแบบนี้เราชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบเราคิดแบบนี้อะไรนะรู้สึกแบบนี้อันนี้นเป็นธรรมชาติที่มันไม่ใช่กิเลส น, นะ เอมันเป็นธรรมชาติของของกลไกของร่างกายแล้วก็จิตใจที่มันมีปฏิสัมพันธ์กันเนาะเยอย่างเช่นบางคนเนี่ยออากาศเย็นเนี่ยเรารู้สึกเราชอบมันสบายดีแต่ร่างกายบางคนอาจจะรู้สึกอากาศแบบนี้โอ้มันหนาวเออหนาวเกินไปสำหรับเขาไม่ชอบละเนีทั้งอั้งที่อากาศก็เหมือนกันนะ นะแต่ประสบการณ์หรือว่าร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะก็เลยไปตีความเป็นความความรู้สึกนะหรือว่ากลายเป็นการสรุปว่าเออแบบนี้เออพอดีหรือแบบนี้มันมันหนาวไปนะแับแต่ละคนบางทีพวกเนี้ยมันพอเราไปดงยึดนะเราไปดงยึดมันก็มาตกเถียงกันนะ ถกเถียงกันว่านะอะไรดีกว่ากันอะไรถูกกว่ากันนะซึ่งพวกนี้มันเป็นถ้าเราไปหลงยึดพวกนั้นเอามาถกเถียงเอามานะเป็นความคิดความเห็นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นการทะเลาะ ก, กันหรือบางคนก็ไม่ทะเลาะ ก, กับคนอื่นหรอกแต่ก็คิดในใจนะ่ะคิดในใจแล้วก็ยึดในใจก็ทุกในใจนะมันก็มันก็เลยเป็นเป็น สิ่งที่ไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติเนาะแต่การปฏิบัติคือเรารู้ทันนะอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นอ้าแต่เราไม่ยึดมันอันนี้คือการปฏิบัติที่หลวงพ่อท่านสอนแบบตรงๆเลยนะสอนตรงๆให้เราไม่ต้องเอาเหตุไม่ต้องเอาผลไม่ต้องเอาผูกไม่ต้องเอาผิดไม่ต้องเอาดีไม่ดีนะเอา แต่เอาอะไรเอาความรู้สึกตัวนะเอาใจให้กลับมาเป็นปกตินะอันนี้สำคัญที่สุดนะท่านชี้เห็นว่าอะไรมันสำคัญกว่านะระหว่างการรักษาใจนะให้กลับมาเป็นปกตินะกับการไปยึดติดนะกับความคิดกับเหตุผลแล้วใจมันทุกขนะ์เนะี่ยท่านชี้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาใจ หรือการกลับมาดูใยใจนะเรื่องทางโลกหรือเรื่องภายนอกเนี่ยมันก็สําคัญอยู่แต่มันไม่สําคัญมากมายหรอกนะเหมือนคล้ายๆหลวงพ่อจะสอนนะั้นมาเข้าใจว่าเหมือนจะรักษาเรื่องเวลารักษาอะไรมันก็งานพัฒนาหรือรูปแบบนะวิธีปฏิบัติมันก็สําคัญอยู่นะ แต่ก็ไม่เป็นเรื่องตายตัวประมาณนะั้นมันก็สําคัญอยู่แต่ไม่ต้องตายตัวไม่ต้องไปยึด ต, ติดอะไรมันมากเนี่ยท่านให้รู้จักเ อ, อปรับเปลี่ยนเนี่ยปรับเปลี่ยนให้เข้าตามสถานนักการนะหรือว่าให้เรารู้จักไม่ไปยึด ต, ติดแบบแผนว่าถูกแบบนี้ก็ต้องถูกไปทั้งหมดเนี่ยมันต้องถูกทุกที่ถูกทุกเวลาอะไรประมาณนั้นน่ แต่มันมีเหตุมีปัจจัยอันนี้สาคัญมากๆนะมันก็เลยเป็นโอกาสที่ดีนะพวกเราในที่นี้หลายท่านก็คงได้ได้พบเห็นหรือว่าได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์ของพวกเราคือหลวงพ่อคาเขียนนะที่ท่านก็เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตให้เราเห็นนะเราก็ถือว่าพวกเราก็ถือเป็นติด ที่มีครูนะมีครูที่สำคัญนะอย่างมากนะนะเป็นครูทางจิตปัญญาของพวกเรานะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตนะในทางธรรมของเราก็ว่าไดนะ้เราก็พยายามใช้ชีวิตของเราน้อมนำธรรมนะที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนเราไว้นะ จากคำพูดก็ดีจากการกระทำก็ดีเนะี่ยมาสู่เนื้อตัวของเรานะเราจะก็จะได้ชื่อว่าเป็นสิทธิ์สิทธิ์มีครูอยู่เสมอเนะี่ยแม้ครูบาอาจารย์ท่านจะละสังขารนะจากโรคนี้ไปนะแต่ถ้าเราจะนึก ถ, ถึงท่านเมื่อร่มันก็รู้สึกอุ่นใจนะไม่รู้สึกว่า เปล่าเปลียวหรือว่าอ้างว้างลอยเหงาเราก็สึกคำพูดคำสอนนะหรือการกระทําของครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังนะอบอวนนะในจิตใจของเราหรือว่าก็ยังสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความเมตตานะที่ท่านก็มีกับทุกคนเสมอภาคกันนะ เมื่อเราเลกขึงแบบเนี้ยเราจะรู้สึกไม่โดดเดี่ยวนะเวลาแม้เราปฏิบัติอยู่ในป่าคนเดียวนะหรืออยู่กุฏิคนเดียวหรือว่าเราไปทํางานเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่เขาอาจจะไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมไม่ได้รู้จักครูบาอาจารย์ของเราแต่เราก็จะรู้สึกไม่โดดเดี่ยวเดียวดายเราก็รู้สึกว่าเราทําตามคําสอนของครูบาอาจารย์เนีนะ่ยอ มันเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตเรานะไปทางที่ดีงามแล้ว น, ะนี่นมันเป็นสิ่งที่เรายึดถือคำสอนตรเนี้เอาใช้ในชีวิตของเราเราก็จะชื่อว่าเป็นสิ่งมีครนะูแม่ครูบาอาจารย์จะจากไปก็เปรียบคล้ายเหมือนกับพ่อแม่พวกเราบางคนนะก็ก็เสียชีวิตไปแล้วนะพ่อแม่ก็ยังทิ้งมรดกนะ เป็นร่างกายนี้ให้กับเราอยู่หรืออาจจะมีบอนรดบกทางโลกนะให้กับเราบางส่วนเพื่อเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่หรือเราก็ระลึกถึงคาสอนการความรักความเมตตาที่ท่านมีกับเราตั้งแต่วัยเด็กจนะ ถ, ถึงตอนท่านเสียชีวิตไปเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเออพ่อแม่ก็ยังอยู่ในตัวเราอยู่นะออแม้บันทีตัวห่างกันนะ โดยที่อยู่อาศัยหรือโดยพบภูมิก็ดีแต่เราก็รู้สึกว่าพ่อแม่ก็ยังอยู่กับเราเนี่ยแหละนะที่จริงเรานี่แหละคือพ่อแม่เพราะพ่อแม่น่ะให้เลือดให้เนื้อเราตอนนี้พ่อแม่ก็คือเราเนี่ยแหละเราทําอะไรเนี่แหล ะ, ะ, หละให้เราเระลึกถึงพ่อแม่เดี๋ยวครูว่าอาจารย์เราก็จะไม่กล้าทําความชั่วนะมันจะมีความละอายเลยว่าเออ เราทำแบบนี้นะถ้าพ่อแม่รู้เห็นครูบาอาจารย์รู้เห็นมันไม่ดีอนอะเราจะไม่กล้าทำมันจะเกิดมิริโอตาปะขึ้นในใจของเรานะไม่กล้าทำความชั่วกลัวสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมนะถ้าเราเตือนตัวเองแล้วเนี่ยนะมันจะมีสภาวะนอะไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีนะกลัวกลัวบาปกรรมที่มันจะตามมาแต่ไม่ได้กลัวแบบ ไม่ได้กลัว บ, บาปแบบคนที่พยายามจะไปแก้บาปนะไปล้างบาปแบบนั้นนะนะมันกลัวนะการกระทาแล้วก็กลัวทั้งความคิดนะคิดบาปขึ้นมาก็ก็ไม่กล้าคิดนานนะมันก็ต้องรีบละทันทนะีแต่ก็ไม่ได้เกียดไม่ได้โกรธนะก็มองเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามีสติมันก็มองว่าบาทีความคิดที่เป็นอกุศลมันก็เกิดของมันเองนะ เราก็ไม่ได้ตั้งใจคิดนะแต่เราก็ไม่ต้องไปห้ามมันแต่เราแค่รู้มันนะรู้มันแล้วมันก็จะวางขังมันเองนะมันก็จะเป็นการที่สติก็จะคอยคุ้มครองใจนะให้เราไม่คิดชั่วนอเมื่อไม่คิดชั่วมันก็ไม่ทำชั่วไม่ทำผิดนะจิตก็เกิดความรู้สึก สุขใจขึ้นมานะสุขใจที่เรารู้ทันกิเลสกิเลสครอบงำจิตไม่ได้นะไม่เผลอไปทำตามความคิดที่เป็นอกุศลนะมันก็เกิดความสุขใจนะเมื่อใจมันมีความสุขนะเราจะทำมาได้ที่ไหนมันก็รู้สึกนะปลอดโป่งโล่งใจนะปลอดโป่งโล่งใจนะไม่ต้องกลัวใครจะมานะมาตำหนิติเดเตียน ใครแต่ตำหนิก็มองเป็นเรื่องก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ดูตัวของเราว่าเราทำแบบไหนอะไรประมาณนั้นนะอืมก็อยู่กับโลกได้โดยที่ไม่ต้องหวาดระแวงอะไรเมื่อจิตมันมีความสุขใจนะมันจะมีสมาธิจะทำอะไรไม่ก็ไม่หวั่นไหวก็ไม่กลัวนะไม่กลัวนะไม่หวั่นไหวแม้เป็นความกลัวโดยเจริญนิสัยนะ ううううแต่มันก็จะไม่ข้อมงมจิตใจนะเอะมันก็จะไม่ข้อมงมจิตใจให้ให้เป็นทุกข์นะเมื่อจิตมันมีความไม่วันไหวนั่นแหละคือจิตที่เป็นสมาธินจิตที่มันตั้งมั่นจิตที่มันมั่นคงจิตที่มันมีความสุขเนี่ยนั่นคือจิตคือองค์ถ้ำของสมาธิที่สมาธิในทางพุทธน่ะเมื่อสมาธิมันตั้งมั่นมันมั่นคงมันก็จะเห็นอาการเกิดดับนะ อาการเกิดดับที่มันเกิดขึ้นกับรูปก็ดีนะเกิดขึ้นกับนามธรรมก็ดีนะมันย่อมเห็นเพราะาจิตมันมั่นคงมันตั้งมั่นมันละเอียดนะเห็นสภาวะธรรมที่มันมีอยู่แล้วนะ่เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เห็นเองนะเราไม่ทันเองจิตเราไม่ละเอียดพอเองนะแต่เมื่อจิตเราละเอียดพอเราฝึกฝนต่อเนื่องมาดีนะ ธรรมชาติตอนนี้มันย่อมปรากฏให้เราเห็นให้เราเข้าใจนะมันมีอยู่แล้วมีมาก่อนนานแล้วแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆนะแต่เราเองจะเป็นคนที่เข้าไปพบเห็นนะนะพบเห็นสนะภาวะธรรมนะที่ควรรู้ควรเห็นนะก็สมควรกับการปฏิบัติของเราเนะี่ยก่อนให้เราได้มั่นใจว่าทางที่เราเดินนะ คูบาาจาย์ท่านชี้ทางท่านเดินนําทางแล้วก็แสดงตัวอย่างนะของคนที่พบทางแล้วก็อยู่ในทางอยูเสมอเนะ่มันเป็นทางที่ถูกแล้วนะเป็นทางที่ตรงนะตามคําสัมพันของพระพุทธเจ้านะก็ขอให้พวกเราได้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันเนาะร่วมเดินทางผมเดือดจะมาเองก็ ก็อยู่ในระหว่างการเดินทางเช่นกันนะก็ระหว่างการเดินทางก็ต้องมีความเพียร น, นะมีความขยันแล้วก็มีความตั้งมั่นในการที่จะต้องฝึกฝนตนให้เดินตามทางที่ครูบาอจารย์ท่านสอนเนะี่ะพวกเราก็ขอให้เป็นแบบเป็นกักนกันนะันมิตรกันเนาะร่วมเดินทางนะไปสู่หนึ่งจุดหมายปลายทางคือ มักผลนิพานนะตามตามรอยพระพุทธเจ้านะตามรอยครูบาอาจารย์ของเรา